พระธรรมเทศนาแผ่นที่104ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่28กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าอย่ามีความหวังในสิ่งไม่เที่ยงพระในวัดของเรา45รูป วันนี้ลงมาชั้น36 36รูปขาดไปเก้ารูปาภาวนาปฏิบัติของท่านเป็นอิสระวันนี้เป็นวันที่28กันยายนพุทธศกราช2559เเดือนกันยาแล้วก็เดือนตุลาเป็นเดือน ที่ขรชกา ร, กรเกษียณอายุเมื่อวานนี่ก็มีท่านขรชการตตำรวจผู้ใหญ่ท่านมาคราวก่อนครั้งก่อนมาเป็นทีมมาหลงพ่อกระแจกหนังสือธรรมะให้หลายแนวหลายทั้งหนังสือหลวงตาด้วยหนังสือหลวงพ่อด้วย ที่จะเกิดประโยชน์ต่อข้าราชการหลวงพ่อก็แจกหนังสือธรรมะทั้ง MP ็มพสด้วยแต่ท่านข้าราชการผู้ใหญ่ท่านตำรวจผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านเมื่อได้รับไปแล้วท่านไปติดใจหนังสือของหลวงพ่อเนี่ยต่อต่อตอตอ ต, อ, ต, อ, ตอเตรียมตัวตายแปลว่าเตรียมตัวตาย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 ถึงจะรักใครก็ไม่ถึงกับร้องโหมร้องไห้ทั้งวีทั้งวันเพราะอีกสักวันหนึ่งพวกเราก็จะต้องหนีจากกันอยู่แล้วแต่จะเกลียดจะโกรธให้ใครก็ไม่เกลียดจะโกรธจังหว่าถึงจะฆ่าเขาวางแผนฆ่าเขาเอาซื้อยุดโทโปรประกอถล่มเขาฆ่าเขาเพราะอีกสักวันหนึ่งไม่เขาก็เราก็จะตายหนีจากกันอยู่แล้ว อดไปสักหน่อยอดทนไปสักหน่อยแล้วก็จบนี่คือหนังสือต่อๆ เ, เตรียมตัวตายถ้าหากว่าคนที่ไม่คิดไว้ในใจอย่างนั้นเวลาโกรธให้ใครก็โกรธอย่างมากาคิดว่าตัวเองจะไม่ตายคิดว่าเขาจะไม่ตายไม่หนีจากกันเวลารักใครก็รักมากาาาาาาจะจะล้มจะตายกับเขา คิดว่าตัวเองจะไม่ตายจากเขาคิดว่าเขาจะไม่ตายจากตัวเองนี่แหละหนังสือเล่มในต่อๆก็มีคนแก่เขียนจดหมายขึ้นมาทางทางกรุงเทพเพราะว่าผมอยากจะได้หนังสือผมมีคนป่วยไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งท่านเขาไปวางหนังสือไว้เวลาเขา กลับบ้านเขาก็ไม่เอาไปด้วยเขาคงจะให้คนที่มาอยู่ต่อไปอ่านแต่นี้คนที่เอาไปอ่านคนที่เ้าไปที่หลังไปไปจิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามาอ่านมาอ่านโอ้พอใจมากอยากจะได้หนังสือเล่มนี้เขียนจดหมายมาห า, าต้นตอที่วัดของเราออก อยากจะไดู้มลมากอยู่หลวงพอ่อโอ้ยให้เม็ให้ไม่ได้แล้วมื่อจะส่งไปยังไง เ, เขาบอกในนั้นบอกเขาบอกว่าผมอายุ80กว่าปีแล้วผมจ ะ, จะเงินจะตุประจผมจะส่งมาให้เป็นราคาอะไรเท่าไหร่ค่าพิมพ์หนังสืออะไรเพราะว่าผมจะเอาไปแจกในงานศพของผมกรหว่างนั <laughs> ้น หลวงพ่อฟังฟังดูแล้วก็เออก็เลยให้พระส่งไปให้สองสามเล่มบ้างกับหนังสืออย่างอื่นอีกแสดงมาเป็นผู้สนใจไฝธรรมะแต่ก่อนเขาก็บอกว่าเขาพิมพ์หนังสือมีแต่พิมพ์หนังสือสวดมนต์บ้างสวดพระคาถาบ้างหนังสือสวดพระปริศบ้างแต่หนังสือธรรมะที่เป็นแนวความคิดอย่างนี้นะผมยังไม่เคยพิมพ์ ผมยังไม่เคยร่วมพอผมมันอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมประทับใจพอใจเป็นแนวความคิดดีกระวาผมกรอยากจะได้แล้วเอาไปแจกในงานศพของผมด้วยเมื่อผมตายอันนี้ก็คือที่เขาเขียนมาแต่แต่เมื่อวานนีนก่อนนี่นะผู้ใหญ่ท่านก็เข้ามาแล้วก็ถามที่แรกท่านก็ ขอมาทางทางทางโยมทางอื่นหลวงพ่อเออถ้าเราไม่รู้จักต้นตอ่อจุดประสงค์เราคงจะให้มากไม่ได้หรอกหนังสือพราะมันซื้อมีคุณค่าแต่ละเล่มมันมีคุณค่าแต่ถ้าว่ารู้จักจุดประสงค์ผู้ที่มาขอมีจุดประสงค์อะไรหลวงพ่อไม่ว่าเพราะหนังสือเหล่านี้หนังสือแจกอยู่แล้ว แจกเป็นธรรมทานอยู่แล้วนะแต่ถึงจะเป็นแจกเป็นธรรมทานก็เถอะเราจะไม่ให้สุม 4, สี่สมหเราต้องมีจุดหมายอย่างลงไปกรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยท่านไปพบกับท่านพี่ภาคษาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าผมไปเที่ยวชมตลาดหนังสือเาหนังสือที่เขาเก่าๆที่เขา มาขายเนยะร้านหนังสือมันก็คงจะมีครบเนะ่ะหลวงพ่อเคยได้ยินประวัติหลวงปู่มั่นปฏิ ป, ปทาหนังสือมากมายที่เขาไม่ได้อ่านแล้วเขาเอาไปขายผมก็เลยได้ไปเจอหนังสือต่ อ, ต อ, ต อ, ตอของท่านนี่แหละผมก็เลยมาซื้อมายี่สิบาทนะเขาขายยี่สิบบาทผมก็เลยเอามาอ่านอ่านโอ้เอ็นอ่านดูแล้ว มีเนื้อหาสาระในการวางแนวของชีวิตตัวเองได้อย่างดีเลยผมอพอใจเลยครับที่ผมได้อ่านหนังสือตอ ต, อ ต, ออตอเล่มนั่นหลวงพ่ออ่ก็มีประโยชน์แต่ที่ท่านตำรวจที่ท่านมาท่านก็บอกว่าผู้ใหญ่วมื่อได้รับหนังสือท่านไปแล้วท่านอ่าน ก็น่าเอาน่าจะเอาไปแจกผู้ที่กเกษียณอายุที่จะได้วางตัวอย่างไรท่าบาปว่าผู้ที่วางตัวบรรปลายอายุตั้งหกสิกว่าไปนี้ยนะควรจะทำอย่างไรไมิใช่ว่าพอออกจากราชการก็ไม่รู้จะทำยังไงกลับไปไปเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ตี แต่จะมายเหมือนเป็นเด็กสนุกสนานไปจากนั้นเขาไปเฝ้าสะปลาไปตกเป็ดเห็นปลากินเบ็ดแล้วก็โอ้ชื่น อ, อกชื่นใจสนุกสนานแต่ว่าความเจ็บป่วยของเขาเจ็บปวดของในปากของเขานะ่ยไม่ได้คิดจุดนั้นมีแต่เห็นความสนุกไปตกปลาไปเฝ้าสะปลาแล้วก็ไปตีไก่ไก่ชนจากนั้นเขาไปเล่นการพนัน พอเวลามันว่างมากมากค น, นก็ไปตีกอล์ฟสุขภาพยังดีตั้งฝ่ายผู้หญิงคนนนไปชมตลาดแมคโครโลตัสที่ไหนไหนไม่มีเงินซื้อหรอกแต่เดินไปพอได้ไปก็พอผมมีเวลาว่างสิ่งเรานี่ทำเวลาว่างให้ไร้ค่าไร้ประโยชน์ควรจะทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แต่ทำยังไง อันนั้นต้องศึกษาต้องศึกษาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอั น, นี้ตลวงพ่อก็ได้แจกให้ไปใ ห, ให้ท่านไปถ้าว่ามีจุดหมายปลายทางแจกผู้กเกษียณอายุเราให้ไปแต่บอขอไปเฉยๆไม่มีจุดหมายปลายทางเราก็ไม่ให้ไป ง, ง่ายๆนะนะเหมือนกันนะหนังสือนะเหมือนกับเราจะหวานมเมล็ดข้าวลงในานา มันจะเกิดผลไหมถ้าแปลงนาเตรียมพร้อม เ, อเตรียมดินพร้อมขาดเอาหญ้าออกให้หมดพร้อมที่จะปลูกที่จะงอกเงยที่จะได้รับผล เ, เราก็ไม่ว่าเอาก็าปลูกออกไปเอาไปปลูกพอมันจะเกิดผลถ้าเอาไปแล้วพอได้เมล็ดข้าวไปแล้วหวานเข้าป่าเข้าลกนะ ยาแฟก์ยาขาเระวานไปเรื่อยเพราะมันได้ได้ไดไดมเมล็ดข้าวมา เ, เราก็เสียดายมเมล็ดข้าวเราเหมือนกันนะเพราะเมล็ดข้าวของเราเนี่ดีพันุดีทีเดียวอ่ะควรจะเกิดประโยชน์นี่แหละที่จะแจกหนังสือก็าตามแจกเอ็มพสาก็ตามนะคณะทาญาติโยมนะหลวงพ่อต้องมองแล้วมองอีกคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะนั่นขอให้พวก เราที่ได้หนังสือไปแล้วได้ MP3 สไปไม่ใช่แบบได้ไปแล้วทิ้งทิ้งองควางทามไม่ฟังเขาก็ให้คนอื่นไปซะแต่บางคนบางทีก็ไปที่ไหนก็รับมาไปที่ไหนก็รับมามาอยู่ในบ้านผลในสุดไม่รู้จะทำยังไงมันลกบ้านผลในสุดก็เลยไปช่างกิโลขายเอออันนั้นไปว่าใจคับแคบมากทั้งที่หนังสือธรรมะ มันมีคุณค่าที่เขาพิมพ์หนังเล่มหนึ่งละเท่าไหร่เล่มละเท่าไหร่มันหลายเงินทีเดียวเราจะให้คนอื่นก็เสียดายเหมือนกับว่าบั่นทอนตัวเองว่าไม่อ่านหนังสือธรรมะเอาไปให้คนอื่นเขากลัวเขาจะดูถูกตัวเองอีกต่างหากก็เลยหมุบหมับหมุบมัม บ, มมบหอ่อซะแล้วไปชั่งกิโลขายซะให้มันจบจ บ, จบไป อย่างนั้นแปลว่าสร้างบาปอภุศุลนใส่ตนเองอีกต่างหากทั้งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเป็นโทษเสิ่งเหล่านี้แหะพวกเราต้องคิดอีกเหมือนกันทําบาปโดยไม่เจตนาฮไม่เจตนาว่าจะทําบาปแต่ว่าการกระทํานั้นมันเป็นบาปเอาทําคําสอนของพระพุทธเจ้าทําคําสอนของครูบาอาจารย์ประวัติของท่านเอาไปขายช่างกิโลขายฮ มันไม่ถูกพอะทั้งจริงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงนะผู้ที่รับหนังสือไปรับไปแต่ถ้าไ ม, ถาไม่ถ้าไม่พร้อมนะ่ยอย่ารับไปรับไปทําไมเสียของของท่านท่านเจตนาดีท่านจึงให้เราท่าไม่ใช่ว่าให้แบบโฆจรนาประชาตำพันจะให้เด่นดังไม่ใช่แต่บางองค์อาจจะใช่แต่หลวงพ่ออีนั่งไม่ใช่ให้โดยเจตนาดีเพราะ มองเห็นคุณค่าในการแจกหนังสือธรรมะแจก MP3 ถ้าเราไม่แจก MP3 ไม่แจกหนังสือทํามาหากันมีแต่แจกกระต้มขนมให้กินกินแล้วก็เป็นไรอิ่มกินอิ่มอิมอม่อิ่มท้องแล้วก็ไประบายไปท่ายออกทตนเองแต่หนังสือธรรมะที่ได้ไปแล้วถ้ามีโอกาสเราก็ไปศึกษาเอาไปฟังอ่อเอ็มพีสามเอาไปฟัง จากน้อยกับหนังสือเอาไปอ่านในเมื่อมีโอกาสแตถ้าไม่มีโอกาสเราก็เก็บไว้ได้หิ่งไว้ก่อนใส่ถุงพลาสติกใส่หีบใส่ตู้ไว้เก็บไว้แต่เมื่อมีโอกาสก็หยิบมาอ่านใ น, ในเมื่อเราทุก อ, อกทุกใจบางสิ่งบางอย่างเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็อ่านหนังสือธรรมะมันเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องสกิดใจของเราได้ เพราะอะไรเพราะเหมือนกับเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หนังสือธรรมะเนะ่ยคือครูบาอาจารย์ของเรานะถ้าเรารู้จักเข้าไปใกล้ชิดแล้วพอไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราเป็นผู้มีปัญญานะก็ได้นะแต่ถ้าเป็นคนโง่เง่าเสยอย่างเดียวนะทุกทุกอะไรก็ยิ่งอยากทุกนทุลายอยากให้หายจากทุกข์ไม่ได้คิดแก้ทางด้านจิตใจของตนเองนะมีแต่เพิ่มทุกข์ ทกขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเหมือนกันนะนี่แหละเป็นขราชการที่กเกษียณไม่กี่วันข้างหน้าแต่จำใหมเมื่อเราทําการทํางานเราก็เบื่องานแต่พอเกษียณขึ้นมาแล้วก็เออสมัยเมื่อเราทํางานเนี่ยเราน่าจะทําให้ดีกว่านี้ อแต่ทำไมเราช่วงนั้นเราทำไมจึงทำไม่ดีเท่าที่ควรอแต่ตามจริงเราน่าจะทำดีกว่าที่เราทำมานะั้นเหมือนกับทำอะไรย่อๆแยกๆยาทางขี้เกียจขี้คลานด้วยแต่พอออกมาแล้วยังค่อยระลึกได้ว่าน่าจะทำให้ดีกว่านั้นอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะบางคนแต่บางคนก็อ๋อเบื่องาน แต่ละวันเวลาจะเตรียมหนังสือเตรียมแคเชอร์ไปที่จะไปสอนหนังสือนะก่อนขี้เกียจขี้เกียจ ด, ดูอีกต่างหากมันเบื่อไปหมดเลยหลวงพ่อก็เลยถามว่าอาถ้ามันเบื่อขนาดนั้นละ่ะเวลาเราไปรับเงินเดือนะ่ะเราเบื่อไหมงเงียบเลยเวลารับเงินเดือนกระโดดใส่ถ้ามันขาด บาทหนึ่งสองบาทก็ขาดไม่ได้แต่เวลาทำงานคนี่ขี้เกียจทำงานแต่เวลารับเงินเดือนไม่ขี้เกียจกระโดดใส่เลยรับเงินเดือนมันจะมันจะถูกต้องไหมะคิดดูให้ดีสิเงินเดือนก็มาจากความการงานของเราการงานของเราก็คือเงินเดือนถ้าเราขี้เกียจรับเงินเดือนถ้าเราขี้เกียจทำงาน เ้วก็ควรจะขี้เกียจรับเงินเดือนด้วยอทั้งสองอย่างจากนั้นเราก็ควรจะมาบวชซะเบื่อโลกแล้วถ้ามาเบื่อโลกเบื่อธรรมอีกมดไทยมันมีตันทึบเบื่อมันมีกิเลสกิเลสมันเบื่อความดีนะแต่ความเร็วมันไม่มันมันไม่เบื่อมันจะหันหน้าไปทางเร็วอันไหนที่มันเร็วๆมันจะหันหน้าไปทางนั้น แต่ทางดีๆนะ่มันจะไม่ชอบนะกิเลสโลภโกรธหลงนะไอ่บกกิเลสนะี่คือความชั่วคุณธรรมศีลธรรมบุญกุศลน่คือความดีเนี่ยนะความดีกับความชั่วอยู่ในใจของพวกเราทุกๆท่านเพราะนั้นการพูดเรื่องต่างๆแนวคิดต่างๆสำหรับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่เป็นแนวความคิดนะ เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังเก่งไหมถ้าว่าไม่มีใครพูดไม่มีใครกล่าวจะเลยพวกเราอาจจะหลงลืมตัวไปเรื่อยๆพร ะ, ะนักพรตให้พวกเรา ท, ท, ทุกท่านนะจะทำอะไรโอปัยิโกในขณะที่เราออกจากราชกา ร, กรเกษียณอายุราชการเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจุดนีนะ้เป็นโค้งสุดท้ายถ้าจะว่าไปแล้ว คนหกสิบปีแล้วนะไม่ควรจะลงทุนแล้วถ้าลูกหลานไม่มากนะเว้นเสียแต่ลูกหลานเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้มองดูแล้วเออลูกหลานมีคุณภาพมีศักยภาพเราพอพร้อมที่จะลงทุนให้ลูกหลานเป็นลูกมือรับแต่มันก็ยากเหมือนกันนะแต่ใหม่ๆก็มองดูดีแต่ผลประโยชน์ งอกเงยขึ้นมาเท่านั้นแ่ะ เ, เงินเงินตัวนี้แ่ะเงินทองเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าแร่คนโบราณเขาพูดอพอผลประโยชน์ขึ้นมาเท่านั้นนะพี่น้องกับพี่น้องเถอะมันกัดกันฟัดเฟรียงไปหมดนะไม่ว่าแต่คารวะพระองโงๆโงพระโลภโหโมกนอพระมุ่งไปมุ่งหวังไปในราบ ราบสักกะนะสักโรปริสังหันติราบสักกะเนี่ยย่อมฆ่าพระโง่ให้ตายถ้าพระโง่แล้วก็ต้องตายด้วยราบสักกะนี่นี่แหละนี่ก็เหมือนกัน่ะเมื่อเราอายุห0สปีถ้าจะวางแผนอะไรอย่าไปวางแผนใหญ่แต่มีการทามาหาเลี้ยงชีพดันทำมาหา เพราะเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องหาแต่ถ้าหากว่าหาแบบก้าวกระโดดเกินไปหลวงพ่อว่าจะทุกข์ใจจะทุกข์ใจเมื่อแก่หมดผลีนสุดพอจะตายตาตาหลับไม่ลงปพราอะไรพอมันตาค้างเพราะอะไรเพราะทำเรื่องลงไปแล้วบางเสียงบางอย่างมันเกินฐานะของตนเองที่จะต้องแบกรับในเรื่องนั้น สิ่งเหล่านี้ก็ให้พวกเรามองเอาธรรมะนะธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะเข้ามาประคับประคองเป็นแนวทางเป็นเทเป็นแนวทางเดินของชีวิตถ้าว่าพวกเราจะใช้แต่ความโลภความโกรธความหลงามาเป็นแนวทางนะี่แต่อยากอยากอยากทุกข์นะทุกข์ถ้าว่าเรา รู้จักแนวทางแล้วเราจะมีความสุขใจมีพอประมาณได้มาพอประมาณแล้วก็มีความสุขใจเพราะเหตุายเพราะว่าพวกเราวางตัวถูกเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักสถานะของตนเองใครๆบอกถ้ามันพอที่จะได้เราก็รู้มันพอจะได้เออเอาทา แต่ผลมันจะออกมานะเราต้องมองผลอีกผลออกมานะเป็นยังไงอายุถึงขนาดนี้แล้วอย่าไปใช้แต่ความโลภอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีผลได้และผลเสียแล้วก็ผลเสียแล้วก็ผลได้ต้อง บ, บดูทั้งสองอย่างได้กับเสีย ม, ม่ใช่แต่ว่าได้ได้ได้อย่างเดียวนะแต่ถ้าว่าเสียเสียอย่างเดียวก็หมดกำลังใจอีกเหมือนกันเพราะนัน จุดนี้เราก็ต้องดูอีกแต่่าให้เกินสถานะการวางตัวนี่แหละถ้าว่าเราใช้สติใช้ปัญญาในจิตใจของเราไว้อยู่เสมอการวางตัวมันจะไม่หลงลืมตัวนะพวกเราคณะสัตยาติยม์พระเนนลูกหลานทุกองค์นะถึงยังไงก็อย่าลืมชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบ ไม่ใช่ว่าข้าไปเจ้าจึง80ดสิะก่อนข้าไปเจ้าจริงจะไปไม่ใช่คาดฝังอย่างนั้นไม่ได้แต่หลวงพ่อได้ยินสมัยก่อนท่านเป็นศาสตราจารย์หมอท่านก็บอกว่าผมท่านคงจะถึงร้อยปีได้เพราะท่านรักษาสุขภาพดีมากลุกสากสาสุขภาพดีการอยู่การพักการผ่อน ตามหลักวิชาการแพทย์ท่านคงจะอายุยืนได้ท่านวางแผนชีวิตของท่านแต่ทำในจริงพออายุเพั้งแปดสิบท่านั้นเองมันไม่ไปอย่างที่ตัวเองคิดนะมันมีอะไรมันสะดุดหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะทิ้งร่างกายอีกเหมือนกันเพราะนั่นเราจะไปมุ่งหวังว่าเราจะอยู่เท่านั้นปีเท่านั้นเท่านั้นเดือน เป็นความคิดที่หวังหลมหลมแรงแรงมันหาความสัตย์จริงไม่ได้หวังในอนิจจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ทุกข์มันจะตามมาเพรอมไม่ได้สมหวัง เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะถึงยังไงก็เนี่ยอย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆแต่ละวัน เ, เก็บหอมรอมริบไปเรื่อย เหมือนกับน้ำหยดลงมาทีละหยดทีละหยาดจากท้องฟ้ามาตกในตุ่มของเราผลให้สุกกน้ำก็เต็มตุ่มเ ต, ม ต, มต็มโอ่งได้ถ้านเราเอ า, เอาไปตุ่มโอ่งไปไว้ในที่แจง้งอแต่มันเกิดไม่ใช่ว่าน้ําเปิดน้ํากอกเข้ามาไม่ใช่น้ํากอกไหลเข้าไปเป็นน้ํำจดลงมาทีละจดทีละหยาดนี้ก็เหมือนกัน การประกอบคุณงามความดีของพวกเราพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทเก็บหอมลอมริบวันนี้สว้พระสวดมนต์บั่งนั่งภาวนาบ้างรักษาศีลไปบั่งให้ทานไปบั่งสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์พ่อแม่ปู่ย่าตายายชื้อขน ม, นมนมเนยไปฝากท่านบั่งท่านกินอะไรแล้วก็นเนี่ยทำบุญตักบาตรบั่งเรื่องการทําทานไม่ประมาท การสังสมกิจ่วนตัวรักษาศีนวันนี้เป็นวันพระวันอาทิตย์เราก็ควรสมาทานศีนหรือว่ากลางวันรักษาศีนไม่ได้กลางคืนจะเราจะรักษาศีนกลางคืนแล้วกลางคืนเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ฆ่าใครจะไม่ตบยุ่งจะไม่ทำอะไรเราก็ตั้งไหวพระศพจบแล้วกั น, น, น สมาทานสินเลยก็ได้ปานาติปาอธินากาเมมุสาสุราอิมานิปัญจะสิกขาปทานิสมาธิยามิข้ามไปเจ้าขอสมาทานสินห้าตั้งแต่คืนนี้ตั้งแต่หัวข้ขาขณะนี้จนถึงวันพุ่งนี้อันนั้นล้วนแล้วจะเป็นสินคือคุณงามความดีทั้งหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะคุณงามความดีมันอยู่กับตัวของเราเองถ้าเราทากรรมชัว่วนะ กรรมโก็ เ, เกิดในกับตัวของเราเองอีกเหมือนกันเพราะนั่นพวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลจิตใจที่เป็นกุศลอยู่นสถานที่ใดก็สุข ก, กายสุขใจเพราะจิตใจของเราเป็นกุศลถ้าว่าจิตใจของเราเป็นอะกุศลเป็นไปทางบาสมีแต่คิดเบียดเบียนโรคอยากจะได้ของเขาพยาบาทพร่องร้ายเขาเห็นผิดจากทานองครองธรรมไม่เชื่อบาปไม่เชื่อบุญ ไม่เชื่อสิ่งที่ตายแล้วเกิดถ้าเกิดมันตายแล้วศูนทั้งนั้นแหละจิตใจที่มันคิดไปในมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นแล้วนะมันกูไม่กลับนะมีแต่จมดิ่งแต่พอมาถึงโค้งสุดท้ายนะพอใจขาด น, นจะรู้ได้อันไหนเป็นอันไหนเพราะนั้นให้พวกเราศึกษาเอาไว้ถึงจะไม่เชื่อร0อยเปอร์เซน์ก็ให้ฟังเอาไว้ บันทิดนักปราศท่านถือมาจากนั้นเราก็พิสูจน์ด้วยตนเองอย่างที่หลวงพ่อให้พิสูจนะ์น่นแหละอย่าไปขาดคะเนนอย่าไปประมาณการอย่าไปเดาอย่าไปเชื่อคนที่ควรเชื่อที่เขาเชื่อได้เขาเป็นศาสตราจารย์นะเขาเก่งนะแต่อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ไม่รู้เพราะนั้นเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ไว้ดีกว่าแล้วก็ลงมือปฏิบัติรักษาศีลยังไงภาวนาอย่างไงทําสมาธิอย่างไงนั่นแหะเรื่องบทพิสูจน์อย่างอื่นเราก็ไม่ว่ากันแต่น่เรื่องบทพิสูจน์ว่า ต, ต, ตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญไม่มีอย่างอื่นนอกจากหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพูดได้เลยเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านไปพิสูจน์มาแล้วอยู่ที่โคลนต้นโพกนะั้นท่านนั่งยังไง นั่งสมาธินั่นแหละพิสูจอย่างพระพุทธเจ้าพิสูจน์นะนะพอจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งแนะั่นแหะเราไม่ต้องถามใครเรารู้ได้ด้วยตนเองตายแล้วเกิดได้ตายแล้วศูญมันชัดเจนในความรู้สึกของเราเชื่อมั่นในตัวของเราตายแล้วเกิดนั่งภาวนากายกับใจใจกับกายเมื่อเป็นสมาธิแล้วนะจะรู้ได้ด้วยตนเองจิตใจที่เป็นสมาธินะั่นนะร่างกายในเป็นอันหนึ่งจิตใจในเป็นอันหนึ่ง ใจกับกายกายกับใจเอ่ทีว่ารูปประธรรมนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจจะเห็นได้ชัดจิตใจจะเห็นตัวเองได้ชัดเห็นนามธรรมตัวนี้แต่ถ้าไม่มีสมาธิยาวหวังเลยอย่าไปนึกเดาอย่าไปคาดคะเน อ, อย่าไปประมาณการงจะไปคิดตัวเลขจะคิดเท่าไรก็คิดเถอะ อ, อจะไปเชื่อใครเขาพูดยังไงก็ไปเชื่อเขามาเถอะถ้าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติแล้ว อ, อ จะไม่รู้ไม่รู้ในเรื่องนั้ น, น, นเรื่องนั้นเหมือนกับเราอบอกว่าไฟมันร้อน่ะเราไม่เคยจับไฟเราก็ไม่ไม่ไ ม, มั่นใจประมาณการเนี่ยมันร้อนคนอย่าเป็นอย่างนั้ น, นมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เรียนรู้แล้วแต่เมื่อไปจับเมื่ อ, อไรก็เมื่อดันแล้วโอ้โหไฟร้อนมันเป็นอย่างนี้เองเลยจะรู้ได้ลดกลุ่เหมือนกัน รสเผ็ดรสเค็มเลลิ้นเท่านั้นจึงจะรู้ได้แ ต, แต่อย่างอื่นนะั่นเอาด้วยมือไปจุ่มกันแล้วเท่านั้นเอาเท้าไปจุ่มก็แล้วเท่านั้นเผ็ดหรือเค็มไม่รู้แต่มนรู้์ถืว่ามันแสบแข้งแสบขานะแต่ไม่รู้จักว่ามันเผ็ดหรือมันเค็มนะแต่ถ้าว่าเอาลิ้นไปแตะเท่านั้นจะรู้จักได้เลยมันเผ็ดมันเค็มนี้ก็เหมือนกัน ใจของเราจรึงจะรู้จะรู้ได้ก็ต้องใจของเราเท่านั้นะไปสัมผัสถ้าใจของเราไม่ได้สัมผัสอย่าหวังเลยอย่าไปรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์กลุ่บประทามระนามประทามเป็นยังไงใจตรงนั้นอ อ, ออกจากร่างนี้แล้วมันจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะอะไรเพราะเราเห็นได้ชัดด้วยสมาธิของเราเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะเรื่องสมาธิ หลักรมคำสอนของพุท ธ, ธคานี้นะะตอนนี้ไปพระ ส, สงฆ์อนุมโมทนาให้พรรับพรในที่นี้นะ